ในคําถามทั้งห้าอย่างเนี่ยนะอทิษฐโชตนาปุจฉาที่บอกว่าถามเพื่อจะส่องความที่ยังไม่เห็นก็คือบุคคลย่อมถามปัญหาเพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นเพื่อจะเปรียบเทียบเพื่อจะไข่ครวนเพื่อจะแจ่มแจ้ง เ, <กย>เพื่อจะเปิดเผยซึ่งลักษณะตามปกติอันตนยังไม่เคยรู้ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเปรียบเทียบยังไม่เคยไคข่ครวนยังไม่เคยแจ่มแจ้งยังไม่เคยเปิดเผย ปุชานี่เรียกว่าอธิษฐโชตนาปุจชาร์คือเาถามในสิ่งที่ตัวเองมึดไปหมดเลยนะไม่เคยมีข้อมูลไม่เคยมีความรู้อะไรมาก่อนเลยแล้วก็มาถามมาถามในเรื่องนั้ น, น, นเช่นเกิดมาเนี่ยสติปัญญานเนี่ยได้ยินแต่คํานี่เฉยๆเป็นยังไงเนาะสติปัญญานสติปัญฐานก็เลยมาถามว่าสติปัญญานคืออะไรนะก็ไปถามท่านผู้รู้เขาอะนะผู้รู้ก็จชะชี้แจงตอบมาเพราะฉะนั้นไอ้คาถามในสิ่งที่ตัวเองอะได้แต่คํามาชเฉยๆเนี่ย ลักษณะนี้เป็นอธิษฐาโชตนาปุตรชานนเคยไหมเ ค, เคยสงสัยขึ้นมาเองเี้สิ่งนั้นมันคืออะไรนะนนหรือเลี้ยวไปเที่ยวถามคนอื่นในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนนี่อริยสัจมันเป็นยังไงอันนี้ลักษณะนี้นะเกิดมาก็ไม่เคยรู้เรื่องอริยสัจอริยสัจคืออะไรก็ไม่รู้สักอย่างก็มาถามว่าสิ่งนั้นะ่ะคืออะไรหรือที่ถามว่าโพธิชงโพธิชงคืออะไรพระเจ้าค่ะ พ่อชงเป็นยังไงด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่จึงชื่อว่าโพ่อชงเนี่ยนะก็เป็นคำถามประเภทนี้ที่เขาไม่รู้มาก่อนเลยส่วนคําถามอย่างที่สองเรียกว่าถามเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะเทียบเคียงในสิ่งที่ตัวเองรู้เนี่ยนะอาจจะเช่นถามเพื่อนๆใช่ไห้แต่ถามเพื่อจะคุยกันเนี่ยนะคือบุคคลนั้นย่อมถามปัญหาถึงลักษณะตามปกติที่ตนเคยรู้แล้วเคยเห็นแล้ว เคยเปรียบเทียบแล้วเคยไข้ครวนแล้วเคยแจมแจ้งแล้วเคยเปิดเผยแล้วเพื่อเทียบเคียงกับบัณฑิตเหล่าอื่นปุจชานี่เรียกว่าทิฏฐสังสันตนาปุชา น, นะก็คือเหมือนกับพระไตรปิฎกเนี่ยทุกคนก็ไปอ่านเล่มเดียวกันนี่แหละมาแล้วก็มาถามกันเองนะเที่ยวตาถามว่าฝีกฝ่ายเขาเข้าใจยังไงเขาเข้าใจเหมือนเราหรือเปล่า น, นะบทเดียวกันนี้เข้าใจว่ายังไง น, นะก็เรียนมาด้วยการอะไรด้วยกันแล้วมาพูดคุยกัน ลักษณะนี้เรียกว่าทิฏฐะสังสันทนาปุจชาเรียนปฏิสัมพิทาด้วยการแล้วมาถามนะนะเพราะบางคนเนี่ยฉลาดถามบางคนก็ฉลาดตอ่อพันการถามการตอบก็เพื่อให้เกิดปัญญาส่วนวิมติเฉทนาปุจชานะวิมติเนี่ยแปลว่าความสงสัยนะเฉทาก็คือตักมั้นเป็นคําถามที่ถามเพื่อจะตัดความสงสยัยคือบุคคล น, นั้นตามปกติ เป็นผู้แล่นไปสู่ความสงสัยเป็นผู้แล่นไปสู่ความเคลือบแคลงเป็นผู้แล่นไปสู่ความเห็นอันเป็นเหมือนทางสองแพรง่งย่อมถามปัญหาเพื่อตัดความสงสัยว่าอย่างนั้นหรือหนอหรือไม่ใช่อย่างนั้นอะไรหนอเป็นอย่างไรหนอดังนี้ชื่อว่าวิมติเชเทนาปุจฉาอ่านไหมเอมันปัญหาคล้ายๆกับว่าเหมือนกับเดินทางไปถึงทางสามแยกแล้วใช่ไหมซ้ายหรือขวาดีเนออ่านไหม นี้ก็เหมือนกันคําถามบางอย่างก็ถามเพื่อจะได้รู้ว่าซ้ายหรือขวาเหมือนกับว่าเอ๊ะมันควรจเจริญหรือไม่ควรจเจริญเนานะดีหรือไม่ดีนะเอ๊ะปีตินี่ดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยนะก็ไปถามมาถ้าปีติในกามก็ไม่ดีปีติในกุศลธรรมดีอย่างเงี้ยนะส่วนอนุมติกุศาก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามปัญหาตามความรู้ของพิสุทธทั้งหลายว่า ดูการพิสูจทั้งหลายพวกเธอสำคัญรูปนั้นว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเธอที่ถามว่าเธอจะสำคัญความข้อ น, นั้นเป็นไงนะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพิสูจก็กราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าขา้าก็ตรัสถามต่อไปอีกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็ถามต่อไปอีกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะยึดถือหรือควรที่จะตามเห็นว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราพิะสูตรทั้งหลายก็บอกไม่ควรอย่างนั้นพระเจ้าข้าอันที่อันนี้เป็นทั้งของมาจากจะพูดว่าชี้นําในการปฏิบัติหรือชี้เป็นคําถามชี้นําในการเจริญวิปัสสนาก็ไม่ผิดอะไรนะก็เพื่อที่จะถามัเช่นรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเนี่ยสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ซึ่งความจริงก็รู้ ร, รอยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็อกเ อ, อ้าไม่เที่ยงมันจะไปสุขได้ยังไงก็เป็นทุกข์ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยควรไหมล่ะที่จะตามเห็นว่านี่ของเรานะเราเป็นอย่างนี้นะนี่เป็นอัตราของเรานะควรไหมไม่ควรเห็นนะหมคนถามแบบนี้แหละเขาเรียกว่าถามเพื่อเอให้ท่านพิสุเนี่ยนะถือถือตามถามเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่แจ่มแจง้งเป็นการถามเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังเอง คือบางคนเนี่ยนะครับเราไปบอกเขาว่าไม่เที่ยงนะเขาไม่ชัดเท่าเขาพูดเขาเองอะ่ะถ้าเขาพูดจากปากของเขาเองนะก็มันชัดเจนสําหรับเขาเพราะฉะนั้นก็ถามให้เขาตอบของเขาเองซึ่งวิธีนี้ในพระไตรปิฎกมีใชม่มากมากเป็นร้อยร้อยแห่งหนั่นแหละคำถามลักษณะนี้นะมีใช้เป็นร้อยแห่งในพระไตรปิฎกเสร็จ แ, แล้วถ้าพระองค์ถามอย่างนี้ในขันในธาตุในอายตนะเสร็จเนี่ยพระองค์ก็จะถามต่อไปว่า อย่างเช่นถ้าเป็นขันธ์ห้าก็จะกล่าวต่อไปว่าเพราะฉะนั้นแหลเพราะเหตุนั้นแหลเพราะเหตุนั้นนี่เหตุไหนเหตุที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะเพราะคําว่านั่นไม่ใช่ของเรานั้นเป็นอะไรเป็นทุกขังอ่านะนั่นไม่เป็นเราเนี่ยนะนั่นไม่เป็นเรานี่หมายถึงอนิจจังนั่นไม่ใช่อัตตาของเรานั้นก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็ ควรไหมที่จะตามเห็นว่านั่นนิจจังนั่นโส ข, ขังนั่นอัตตาไม่ควรเนี่ยนะผมก็บอกว่าเพราะเหตุนั้นแหละเพราะเหตุที่ขันท่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานะขันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอันนี้เท่านั้นแม้อย่างอื่นด้วยนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกยาละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลเธอเพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราเราไหม นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราแล้วก็ถ้าตามเห็นแบบนี้บ่อยๆก็เท่ากับเห็นว่าอันนี้เห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาอริยาสาวกเนี่ยผู้ที่ได้ฟังแล้วอย่างนี้รู้เห็นอยู่อย่างนี้หมายความเขารู้เห็นอย่างนี้จริงๆเป็นอัธยาศัยของเขาไปแล้วถ้าเห็นตามนี้จริงๆจนเป็นอัธยาศัยก็จะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ย่อมเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ เมื่อเบอร์นายก็คลายกำหนักฉะนั้นคําถามที่เป็นอนุมติปุจชาเนี่ยนะที่พระองค์ถามเนี่ยผู้ฟังฟังจบนี่บรรลุไม่ใช่น้อยนะบรรลุมากอย่างกลุ่มนั้นท่าโกวาท่าสูตรก็เหมือนกันชอบชอบฟังธรรมแบบให้เขาถามอนะชอบฟังธรรมแบบแบบมาตอบคําถามนะแต่ฟังอ่ะเอาถามว่ามีไหมแบบเนี้ยในท่าแต่ในสมัยพุ้ตากานก็มีในสมัยนี้ก็มีสมนี้ก็บอก ถา้าอาจารย์ถามสิถามเลยให้ถามเขานะเขาจะจะได้บอกว่าเขาได้รู้จริงหรือเปล่าตอบถูกหรือไม่ถูกเนี่ยไหถามเขาสิถามเขาสิก็อย่างนี้ก็มีอยู่นะอย่าไปคิดว่าไม่มีส่วนคําถามอย่างที่ห้ากระเทิดกกรรมมัจาปุจชาคือถามเพื่อจะตอบเองก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามแก่ที่สุทั้งหลายโดยมีพระประสงค์จะแก้เองว่าดูความที่สุทั้งหลายสติปทานเหล่านี้มีสี่ สติประธานสี่เป็นไนก็พิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกคำถามประเภทนี้เป็นหรือกะตเมธรรมากุศลกุศลเป็นไนกะตเมธรรมาอกุศลาอากุศลธรรมเป็นไนกะตะเมธรรมาอัพยากตาอัพยากตะธรรมเป็นไนคำถามประเภทนี้เป็นถามเพื่อจะตอบเองทั้งหมด อย่างนี้ชื่อว่ากะเทตุกรร ม, มยตาปุชชาปุจชานี้บัณฑิตเพื่งทราบว่าเป็นกะเทตุกรร ม, มยตาปุจฉาของภาษารีบุตรคือที่ภาษารีบุตรท่านถามว่าปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าโสตมยปัญญาเนี่ยเป็นฉไหนะเป็นอย่างไรล่ะเพราะนั้นท่านก็เมื่อท่านตั้งเป็นคําถามคืออย่างนี้แล้วก็พอถามนี้ก็ตั้งหัวข้อขึ้นมา น, นะคือตอบก็ตอบเป็นข้อข้อไปก่อน เป็นหัวข้อที่ควรทรงจำรรเอาไว้บัทนี้ท่านได้กล่าววิสัชชนุเทศก็คือวิสัชนาแต่เป็นวิสัชนาแบบอุเทศอุเทศแปล ว, ว่าหัวข้อเป็นการตอบตอบตามหัวข้อไปก่อนคือหัวข้อใหญ่ๆในธรรมะที่ฟังแล้วทรงจำรรเอาไว้มี16หัวข้อนะแั้วท่านก็บอกว่าแก้ไว้16ประการเป็นต้นว่าปัญญาที่ทรงจำรรทำที่ได้ฟังมาแล้วคือรู้เครื่องรู้ชัด ธรรมะที่สดับมาแล้วนั้นว่าทำทั้งหลายเหล่านี้ควรรู้ยิ่งทำเหล่านี้ควรกําหนดรู้ทำเหล่านี้ควรละทำเหล่านี้ควรเจริญทำเหล่านี้ควรทําให้แจ้งทำเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมความดํารงอยู่ความวิเศษชํ่แรกกิเลสอันนี้อา น, นิจจังทุกขังอ น, นัตตานี้อริยสัตว์เนี่ยนะก็มาแยกเป็นข้อๆสิบหกข้อขอ่า บรรดาคำเหล่านั้นปถาถะเสสะคือบาลีว่าเทสยันตัสระของผู้แสดงอยู่เป็นต้นเนี่ยนะอธิบายว่าโสตะความรู้ที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าโสตาวทานตามระยะที่ได้กล่าวไว้แล้วในก่อนของพระศาสดาหรือของเพื่อนสะพรมจันผู้ควรเคารพคือผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยนะก็บอกว่าหมายถึงพระพุทธเจ้าหรือสะพรมจารีผู้เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพ น, นะผู้ผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยถ้าไม่เคารพนะคนนั้นพูดคนที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพพูดนะเขาจะขัดคองนะพูดยังไม่ทันจบอีกฝ่ายก็สวนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะพูดเนี่ยท่านจึงบอกว่าผู้ควรเคารพนะนะก็เกรงใจกันนะก็เกรงใจบุคคลพูดก่อนก็เลยเกรงใจถึงบุรรมที่เขาพูดด้วย นั้นพระศาสดา ห, หรือเพื่อนพรหมจารีผู้ควรเคารพแสดงอยู่ซึ่งทำว่าทำทั้งหลายเหล่านี้อันพระโยคีบุคคลควรรู้ยิ่งเนี่ยนะปัญญาเป็นเครื่องรู้โสตาวทานนั้นอ่ะคือปัญญาเป็นเครื่องรู้สุตตะนั้นได้แก่ปัญญาอันทําการกําหนดรู้ซึ่งปริยายคือกําหนดรู้เหตุเชื่อว่าสุตะมยะยานคือสามารถกําหนดรู้ว่าโอ้นี่นี่ต้องรู้ยิ่งนะเป็นต้น คำว่าอภินย ญ, ญาอภิญยยะเนี่ยนะที่แปลว่าควรรู้ยิ่งความว่าควรรู้ด้วยควาสา ม, มารถแห่งการรู้ซึ่งสภาวะลักษณะคือรู้ด้วยอาการแห่งปัญญานในมหากุศลญาณสัมปยุตตจิ ต, ตควรรู้ยิ่งนี้ไม่ได้รู้ด้วยจากขวิญญาณเป็นต้นนะแต่หมายถึงรู้ด้วยปัญญาที่เป็นญาณสัมปยุตญาณสัมปยุตก็เป็นมหากุศลนะนะมหากุศลญาณสัมปยุตสี่ดวง คือจิตทุกดวงนี่รู้หมดเลยใช่ไหมจิตดวงไหนไม่รู้อารมณ์บ้างละ่ะฉะนั้นคําว่ารู้เนี่ยไม่ใช่รู้ด้วยจักขูวิญญาณไม่ใช่รู้ด้วยจิตชาติวิบากไม่ใช่รู้ด้วยจิตชาติอกุศลไม่ใช่รู้ด้วยจิตญาณวิปปยุตแต่หมายรู้ด้วยมหากุศลญาณสัมปยุตทั้งคำว่ารู้สภาวะลักษณะเนี่ยนะคำว่าสภาวะลักษณะนี้อมถึงการกําหนดปัจจัยด้วยนะเพราะกําหนดปัจจัยก็ยังกําหนดอยู่ที่สภาวะลักษณะอยู่ดี คำว่าปริญ ญ, ญาควรกำหนดรู้เนี่ยควรรู้รอบก็ได้นะน่าจะแปลว่าควรรู้รอบความว่าควรรอบรู้ด้วยสามารถการรู้ซึ่งสามั ญ, ญลักษณะและด้วยสามารถแห่งการยังกิจให้สำเร็จนะคือทำกิจให้สำเร็จเลยนะชั <Okay. S 1> ้นแรกบอกว่าให้รู้สภาวะลักษณะใช่ไหมอภิน ญ, ญญาเนี่ยรู้สภาวะลักษณะหมายถึงรู้สภาวะพร้อมทั้งปัจจัยแต่ ปริญญาหมายถึงรู้สามั ญ, ญลักษณะคือลักษณะที่เสมอกันว่าอนิจจ์ทุกขังและอนัตตาปหาตปะธรรมก็คืออะไรคือการยังจิตให้สําเร็จหมายถึงการละเลยเรียกว่าเป็นปหาตปรธรรมส่วนภาเวตปะธรรมก็คืออบรมควรเจริญสัจจิกาตปรธรรมก็ควรทําให้แจ้งการทําให้แจ้งมีอยู่สองอย่างสัจจิกาควรทําให้แจ้งมีสองประเภท สองอย่างก็คือด้วยการได้เฉพาะสิ่งที่ควรทําให้แจ้งที่ได้เฉพาะนี่คืออะไรสามัญญผลสี่สิ่งที่ควรทําให้แจ้งโดยเป็นอารมณ์หมายถึงพระนิพพานนะพระนิพพานเนี่ยไม่มีใครได้จริงๆแบบแบบได้แบบได้แบบไดแก้วแหวนเงินทองแบบเนี้ยแต่ได้โดยอารัมมนณะปัจจัยอันนี้ก็เป็นชุดอภินญญาธรรมเป็นต้นอนะ ส่วนธรรมะอีกชุดต่อไปนะว่าทำเหล่าใดจัดจำแนกเข้าฝ่ายเสื่อมกล่าวคือเป็นไปในฝ่ายแห่งความเสื่อมด้วยสามารถแห่งการกำเริบขึ้นแห่งธรรมะอันเป็นข่าสึกทำทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าหานะภาคียะ น, นะเช่นปฐมฌานก็อะไรเป็นข่าสึกให้กำเริบนิวร น, นิวรเนี่ยทาให้ปฐมปฐมฌานกำเริบทุติยะฌานเนี่ยอะไรทําให้กำเริบวิตก ตติยะฌานเนี่ยทําอะไรทําให้กําเริบวิจารณ์เอาแบบปัญจาการในนะจะตุทัชฌานอะไรทําให้กําเริบปีติทําให้กําเริบจะตุทัชฌานอะไรทําให้กําเริบศกทําให้กําเริบเพราะฉะนั้นก็เป็นการจัดจําแนกธรรมะที่ทําให้เกิดการกําเริบขึ้นนะว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนั้นนี้กําเริบแน่